กล่าวเปิดประชุมโครงการอาคารมหาการุณิโกหลวงตามหาบัวยนสัมปันโน28ตุลาคม2551บ่ายณนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งมีท่านผู้วาราชการจังหวัด ในอำนาจประกาศผู้วารจการจังหวัดอุดรธานีและคณะัตทาญาตโยมหลายกลุ่มตลอดถึงพระ ส, สงฆ์เจ้าอาวาสหลายวัดที่มาร่วมประชุมในวันนี้อันเนื่องมาจากองหลวงตาที่เป็นที่เคารพของพวกเราท่านทั้งหลายได้เมตตาให้สร้างอาคารผู้ป่วยขนาด210เตียงนั้นอันดับแรกขอท้าวความ ที่หลวงพ่อทราบข่าวเกี่ยวกับตึกสงอาพาดโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราที่สร้างมาเป็นเวลา40กว่าปีหลวงพ่อเองได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือได้มารับรู้รับทราบเรื่องราวของโรงพยาบาลศูนย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ ม, มาอยู่จังหวัดอุดรจนออกไปอยู่ที่วัดป่านนาะคาน้อยเมื่อปี2525 25, เมื่อพระสงฆ์ในวัดหรือละแวกใกล้เคียงเกิดอาพาธหรือครวญญาตโยมของวัดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้สง่งเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยดูแลเครื่องมือแพทย์ต่างกลัมต่างวาระทราบว่าทางโรงพยาบาลเองมีความขาดแคลนเรื่องตึกที่จะใช้ดูแลรักษาคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายการดูแลรักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธหลวงพ่อเองก็เคยมีหนังสือมาถึงท่านผู้อํานวยการที่ท่านกเกษียณไปแล้วครั้งหนึ่งท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดก็พูดว่าจะเสนอว่าตึกสงฆ์อาพาธของพวกเรารู้สึกว่าจะมีความคับแคบใช้มานานดูดูแล้วไม่เอื้ออํานวยความสะดวกต่อพระสงฆ์เท่าที่ควร เพราะสถานที่มันคับแคบหลวงพ่อเองก็ได้ไปเดินดูตึกสัญญกรรมอุตรธาธรตึกสมเด็จพระสังฆราชไปเห็นพระสงฆ์นั่งอยู่ในห้องคนป่วยปะปนอยู่กับคนทั่วไปก็ถามว่าทําไมให้พระสงฆ์มานั่งนอนอยู่กับญาติโยมครวาสทําไมไม่เอาไปตึกสงอาพาดได้ท้วงติงเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วดูดูแล้วน่าจะให้ท่านดูเป็นเอกเทศ ดูไม่เหมาะสมเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังมาอยู่ปะปนกับญาติโยมแต่ทางนี้ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าที่มันจำกัดต่อมาก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลเคยเข้าไปกราบองค์หลวงตาครั้งหนึ่งองค์หลวงตาในคราวนั้นท่านก็คงไม่พร้อมคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราคาดการต่อมาก็ได้ห่างเหินไปแต่ถึงอย่างไร ถึงองค์หลวงตาท่านปฏิเสธในการสร้างอาคารไปครั้งหนึ่งแล้วองค์ท่านเองก็ยังถามไทยอยู่ว่าไปถึงไหนแล้วทางโรงพยาบาลทำอย่างไรไปถึงไหนแล้วลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าถึงจะปฏิเสธไปแล้วท่านก็ยังเยื่อใ่ยังเป็นห่วงอยู่ที่หลวงพ่อรับทราบจากพระอุปถัมภ์ประทากใกล้ชิดองหลวงตาจากนั้นเมื่อไม่นาน ประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้อํานวยการโรงพยาบาลพร้อมทั้งคณะพยาบาลอาจารย์หมอเข้าไปพบหลวงพ่อได้ปรารภในเรื่องนี้หลวงพ่อเองพอผู้อํานวยการและคณะเข้าไปพบก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหลวงตาอนุมัติอนุญาตให้สร้างตึกขึ้นมาก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ที่หลวงตาทำในสถานที่ต่างๆหลวงตาธรรม ดูแล้วเป็นหลายร้อยหลายพันล้านว่าอย่างนั้นเถอะแต่เราก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามากท่านให้เครื่องมือแพทย์แต่เครื่องมือแพทย์นั้นมีอายุไม่มากตามที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์แล้วอย่างมากใช้ก็กเพียง6กเจ็ดแปดปีก็หมดสภาพแล้ว หลวงพ่อว่าถ้าองค์หลวงตาเมตตาสร้างตึกอาคารหลังนี้ทั้ง8ดชั้นแล้วก็คงจะอยู่ได้เป็นร้อยๆ้อยปีเกือบเป็นร้อยหรือสองร้อปีอาคารหลังนี้ถ้าสร้างให้ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อคณะสงฆ์อย่างมากหลวงพ่อเห็นด้วยจากนั้นก็ได้แนะวิธีที่จะพูดกับองค์หลวงตาว่าจะพูดหรือกล่าเปลียนท่านอย่างไร ต่อมาหลวงพ่อก็ได้โทรไปถึงพระอาจารย์ปิวบอกว่าผมเองเห็นด้วยเป็นอย่างมากเรื่องโครงการนี้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นอนุสรณ์สถานขององค์หลวงตาพร้อมกันก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยม6จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีน้องคายสุโขทนคร น, นครพนมน้องบัวลำพูและจังหวัดเลยบางส่วนที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้มาใช้บริการจากโรงพยาบาลศูนย์เมื่อเข้ามาแล้วโรงพยาบาลของเราก็รู้สึกว่าขาดตกบกพร่องนี่คือท้าวความความเป็นมาหรือแนวความคิดการที่องค์หลวงตาท่านเมตตาอนุญาตให้สร้างอาคารขนาดแปดชั้นแก่โรงพยาบาลศูนอุดรธานีมาพูดเรื่องการลงมือก่อสร้างหลวงพ่อว่าพวกเราลูกหลาน ท่านทั้งหลายตั้งแต่ท่านผู้วารจการจังหวัดตลอดถึงพระสงฆ์ทุกท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาร่วมประชุมกันณที่นี้หรื อ, อยังไม่ได้มาที่หลวงตาอนุมัติอรุญาตออกมาในครั้งนี้ท่านอนุมัติอรุญาตออกมาด้วยความเมตตาขององค์ท่านอย่างสุดซึง้งเพราะว่าท่านมีอายุถึง96ปีแล้ว คล้ายๆกับว่าท่านเมตตาแบบทิ้งทวดมอบความเมตตาให้แก่ลูกหลานอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งในจังหวัดอุดรของเราถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วหนึ่งสิบห้าล้านจะหาได้ที่ไหนที่ท่านอนุมัติอนุญาตออกมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้ท่านก็อนุมัติอนุญาตออกมาเพียงยี่สิบสาสี่สิบล้าน แต่คราวนี้รู้สิกว่าหลวงตาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นลูกหลานหรือศรัทธายาิโยมทุกท่านหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกดวงใจน้อมรับเมตตาธรรมขององค์หลวงตาในครั้งนี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความพร้อมเพียงสมัครีอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเพราะองค์หลวงตาให้พวกเรา ด้วยความเมตตาของท่านจริงๆไม่มีอะไรเครือบแฝงในองค์ท่านท่านไม่มุ่งหวังอะไรอีกแล้วเพราะเหตุใดถ้าไปถามท่านท่านก็ว่าท่านจะไม่มาเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอนันตการอันนี้คือความในใจขององค์หลวงตาจากนั้นท่านก็ให้ด้วยความเมตตาเรื่องลาบยศจันรเสริญท่าน ไม่มุ่งหวังอะไรกับพวกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกท่านการที่องค์หลวงตาเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกเราย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานของพวกเราในภายภาคหน้าพวกเราควรจะน้อมรับด้วยความตั้งใจและถ้าหากว่าท่านผู้ใดอยู่ในฐานะกรรมการใด ที่จะรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆก็ขอให้ทาหรือดูแลรับผิดชอบด้วยความตั้งใจถึงจะเป็นบริษัทหรือห้างร้านใดที่ได้เข้ามารับดำเนินการจัดทาก็ขอให้ทาด้วยความตั้งใจเพื่อมุ่งหวังต่อประเทศชาติเพราะหลวงตาเองท่านเป็นผู้เสียสละท่านไม่ได้อะไรจากพวกเราเพราะฉะนั้น พวกเราที่มาทำงานก็ขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจเพราะเมื่อทำไปแล้วสิ่งที่พวกเราได้ทำนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่ได้กล่าวแล้วกล่าวอีกในเบื้องต้นว่าอยากจะให้พวกเรามีความพร้อมเพียงสมวิชยในการบริหารจัดการจัดงานในเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ หลวงพ่ออยากจะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จะไม่ให้ยืดเยื้อไม่อยากจะให้ยืดเยื้อเพราะองค์หลวงตาท่านมีอายุถึงขนาดนี้แล้วพวกเราก็รู้กันอยู่จะตุปัจจัยของหลวงตาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้าหลวงตาท่านไม่พร้อมนะท่านก็คงจะไม่อนุมัติออกมาท่านก็คงจะว่าเป็นไปได้ท่าน ก็คงจะรู้ในใจของท่านเองท่านรู้ทั้งอดีตอนาคตของท่านเองท่านจึงอนุมัติออกมาหลวงพ่อคิดว่าถ้าว่าพวกเราเตรียมพร้อมเตรียมงานอยากจะให้เร็วที่สุดแต่ก็ขอให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อาคารหลังนี้เป็นอาคารแปดชั้นถ้าวิศวกรรมก็ต้องเป็นอภิมหาวิศวกรรมเหมือนกัน ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากหลวงพ่อว่านะแต่ถ้าหากว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายทิ้งให้ผู้นั้นโยนให้ผู้นี้ว่าเป็นผู้ดูแลถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเช่นตึกถลม่มลงมาพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาไม่รู้จะเอาหน้าไปหลบซ่อนไว้ที่ไหน เพราะฉะนั้นขอฝากว่าให้พวกเราทุกๆท่านทําด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจมีอะไรปรึกษาปารัรบกันเพราะว่าจะตุกปัจจัยที่ออกมานี้เป็นขององค์หลวงตาองค์หลวงตามีเมตตาเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วหลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วสําหรับหลวงพ่อเองในงานนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ หลวงพ่อเองก็จะทุ่มเหมือนกันจะช่วยหลวงตาตามกำลังมดว่าอย่างนั้นเถะงานนี้หลวงพ่อเองเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่องค์หลวงตาเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์พี่น้องชาวจังหวัดอุดรและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอำนาจพระการัดผู้วรารัชการจังหวัดอุดรธานีได้เปิดประชมุมและให หลวงพ่อได้พูดกล่าวนําอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อเองก็แสดงความคิดเห็นให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าสรุปแล้วก็คือให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจรับงานขององค์หลวงตาให้สำเร็จลุล่วงราบรื่นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก อาตมาเองในฐานะที่ไดมาร่วมประชุมในวันนี้ก็ขออยากจะย้าอีกว่าหลวงตานั้นท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกเราท่านมีเมตตาอย่างสุดๆมีแต่ช่วยโลกประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขบางท่านบางคนก็เข้าใจผิดว่าหลวงตามุ่งหวังนั้นหวังนี้แต่ตามไม่จริง หลวงตาท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรถ้าพวกเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านเราจะรู้ได้ว่าหลวงตามไม่มีเจตนาไม่มีความมุ่งหวังอะไรทั้งหมดมีแต่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้โลกทั้งโลกอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขท่านยังพูดย้ำอีกว่าเมื่อท่านตายไปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาทำบุญในงานศพของเรานาเงินจานวนนั้นซื้อทองคาเข้าคังหลวงทั้งหมด อ น, นี่แหละความเมตตาขององค์หลวงตาแปลว่ามีเมตตาจนเฮือกสุดท้ายที่ท่านมีเมตตาต่อโลกต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นลูกหลานที่มารับงานที่หลวงตาอนุมัติโรงพยาบาลแปดชั้นในวันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียสละทุนทรัพย์คนละมากคนละน้อย ร่วมกันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเราเป็นอนันตการเพราะนั้นการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ